ท่านอาจารย์คะโยมอยากจะถามท่านว่าพระปากความร่วมมือของสองสถาบันเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์และเกื้อกูลอย่างไรกับสังคมไทยคะหลายคนก็เอาใจช่วยตะมายอยู่คือตอนนี้ตะมานี่ติดมุมแดงเลยนะ <c oughs> <c oughs> คุณแม่ต้อนไปต้อนมาแต่แม่ต้องห่วงตะมาภาพในฟุตเวิร์เก่งทุกวันนี้ความทุกขก็มีเรื่องเดียวเท่านั้นแหละจะปฏิเสธโยมยังไง คือป่วยด้วยโรคประชานิยมมาหลายปีล่ะคนนั้นนีมลคนนี้นี่มนแล้วก็วันนี้เนี่ยพอดีมีงานสอนคือวันที่สิบหกเรียนหน้าคมชัดลึกเขาจะครบรอบครบรอบของการสถาปนาหนังสือพิมพ์ก็บรรณาธิการและคณะจะยกคณะกันเข้ามาว่าเอ๊เราจะสมโพธยังไงนะที่มันไม่ใช่การจัดงานอีเวนต์หรูๆแล้วก็จบอาจรมังก็บอกว่านี่ตมากาลังทาผ้าป่าความราม่มรว ก็วันนี้ก็เลยจะเข้ามาคุยกันว่าแทนที่จะจัดงานธรรมดาธรรมดาวันเดียวจบทางคมช ล, ลึกและทางครเนชั่นทั้งหมดซึ่งกําลังทํางานใหญ่ร่วมกับธรรมภาพที่จังหวัดเชียงรายคือบวชเนนถวายสมเด็จพระเทพหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบรูปหลังจากที่เมื่อเมื่อเดือนกุมภานี่พระองค์ท่านเสด็จไปเยี่ยมโรงเรียนธรมภาพที่จังหวัดเชียงรายแล้วเรากาลังจะขยายผลต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบอกทีมเลขานัดนัฐผู้ใหญ่ทางเนชั่นให้มาที่เล่นนะ แล้วก็ฝากข่าววันนี้เลยนะอันนี้เล่าให้คุณไม่ฟังแล้วก็เล่าให้เราทั้งหลายฟังถ้าเลื่อนได้แต่พระก็อยู่ถึงเย็นเลยนะคือกาตามานี่ไม่ต้องห่วงนะตามานี่เวลาให้พูดสั้นๆนีในตามาจะมีปัญหานะแต่ถ้าคุณแม่ให้บอกตหลอดเย็นนี่รับโองถูกกลืนเลยเพราะฉะนั้นสบายใจได้ก็เล่านิดหนึ่งว่าพระป่าความร่วมมือนี้ไปยังไงมายัางไงอาตมาภาพนี่ แอบมาเดินอยู่แถวนี้ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร น, น้อยคิดดูสิแล้วก็มีไม่มีใครรู้จักเลยก็มาเดินรับแรงบัดานใจตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเปเรียนทำเก้าประโยคแล้วก็มีความคิดมีความฝันอยากจะทําอะไรอย่างที่คุณแม่ทําอย่างนี้แหละแล้วก็ทํามาเรื่อยๆหลังเรียนจบแล้วตลอดเวลาก็ได้ดูได้รู้ได้เห็นว่าคุณแม่ท่านทําอะไรบ้างจนกระทั่งงานล่าสุดก็มีงานถแถลงข่าวเปิดสาวิกาศิกขาลไย มหาวิชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคมก็แปลกมากนะสถาบันนี้นะเลือกเปิดในเวลาใกล้เคียงกันกันกบที่ธรรมะเปิดสถาบันวิมุตทยาไัย <c oughs> ถ้าเราไม่มาจอยเวนเชื่อกันนะมีปัญหาแน่ๆเลยเพราะธากิตรุษเรานี่กลุ่มเดียวกันคือใครคือมนุษยชาติทั่วทั้งโลกเราจะเอาธรรมะก็ไปเยียวยาสังคมทั่วทั้งโลกแล้วธรรมาภาพเองนี่เป็นคนที่ชื่นชมคุณแม่มานานแล้วละ นะทั้งต่อหน้าและรับหลังอาตมากล้ายืนยันได้เลยว่าพูดตรงกันว่าชื่นชมวันนั้นเห็นคุณแม่จัดงานถแถลงข่าวแล้วอาตมาก็อยู่ต่างจังหวัดโอโหคนนั้นนะโทรมาบริจาคคนนี้โทรมาบริจาคเราก็นึกว่าฉันน่าจะให้สักล้านหนึ่งออกเจาะใจนะแต่แต่คลามโดยย่ำเพงแล้วนี่ไม่ถึงใจใหญ่มากแต่กระเป๋าเนี่ยฝากไว้ที่คนอื่นนะ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 ก็เห็นคุณไม่เอาสื่อมารับใช้งานพระพุทธศาสนาอาตมาภาพชื่นชมมากก็เลยโทรศัพท์มาแสดงความยินดีแล้วก็เห็นคนอื่นก็บริจาคสร้างสาวิการศึกษาอะไรกันเยอะแยะมากมายอาตมาภาพก็คิดว่าก็อยากช่วยคุณแม่แต่โดยส่วนตัวเนี่ถือว่าไม่ไม่มีเงินนะมีมีเงินมีแต่มันอยู่ที่คนอื่นโดยส่วนตัวนี้ไม่มีนะก็เลยบอกคุณแม่ว่าอาตมาภาพเนี่ย คงช่วยในเรื่องทุนนัพย์ไม่ได้คือพระอย่างอาตมานี่บอกตามทรงเนะหาเงินลําบากมากอะเพราะทําอะไรนี่เดี๋ยวผิดนะแต่ถ้าเป็นพระเกจิอาจารย์นี่หาเงินง่ายรู้ี้เลือกเป็นพระเกจิอาจารย์ก็ดีจะได้เสกโนนเสกนี้ได้พอเราเลือกจะเสกคนนี่จะขอตังค์คนมาทําโครงการต้องมีเหตุผลที่ดีใช่ไหมก็เลยบอกคุณแม่ว่าเอางี้ดีกว่าอาตมาเนี่ช่วยเรื่องเงินได้ไม่นะไม่มากหรอกแต่มภาพช่วยเรื่องความร่วมมือ คุณแม่อยากให้ธรรมาภาพช่วยอะไรบอกมาเลยคุณแม่ก็บอกว่าดีเหลือเกินให้พระอาจารย์มาสอนสอนเรื่องวิธีคิดนี่แหละก็เป็นวิชาที่ธาภมพสอนอยู่ที่มจรรด้วยนะคือวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาว่าด้วยการมองปัญหาแบบพุทธแต่ตรมาภาพก็ตั้งชื่อวิชาสมัยว่าศักยภาพของความคิดก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อในการเสวนาวันนี้ด้วย และพระปาความร่วมมือก็คือธารมภาพเองเห็นคุณแม่ทำงานแล้วอยากให้กำลังใจเราจะให้กำลังใจผ่านโทรศัพท์ก็ได้แต่ธามภาพคิดว่าบางทีแล้วเนี่ยเรารักแล้วต้องแสดงออกด้วยนะก็อยากจะแสดงออกสักสั ก, ส, กสองสามหมื่นนะก็เลยบอกคุณแม่ว่ า, าวันนี้เราไม่ชูเรื่องเงินเพราะเงินก็คงไม่มากแต่เราชูเรื่องอะไรเรื่องกำลังใจ และเรื่องความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างนักบวช ด, ด้วยกันทำไมท่านท้าอยากชูเรื่องนี้เพราะในเมืองไทยของเราเองนี้บางทีเรายังข้ามไม่พ้นเรื่องลัทธินิกายหรือเพศสภาวะและท่านคงจะยังจำได้เมื่อห้าปีที่แล้วมีมิสตรีคนหนึ่งเป็นนะักวิชาการไปบวชกลับมาก็เป็นข่าวอื้ออึงกันทั้งสังคมไทยถึงขนาดเสนอให้สังายนาใหม่ทีเดียวเพราะฉะนั้นเมืองไทยนี้ก็พูดได้เลยว่าอ่อนไหวมากในเรื่อง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 ครอบรัวนัเป็นกุลีทั้งๆ ท, ที่มีแม่ชีเก่งๆเยอะมากเดี๋ยวนี้มีแม่ชีจบป ร, ริญญาธรรมก้าประโยคทุกปีแต่ถามว่ามีเวทีให้ทํางานไหมน้อยมากต่อมาพอคุณแม่ลุกขึ้นมาทํางานตรงนี้ตอนนี้ตอนที่สังคมไทยกําลังรู้สึกตัวแล้วนะว่าคุณแม่ของเรามีประโยชน์ต่อสังคมไทยมากรู้ไหมว่าคนที่ถวารางวัลก่อนคือใครต่างประเทศต่างประเทศเขายกย่องมาก่อนแล้วเมืองไทยเราถึงจะยกย่องตาม อาจจะพิคิดว่าจมาภาพเป็นนักบวชผู้ชายต้นทุนทางสังคมนั้นสูงอยู่แล้วนะคือเป็นผู้ชายก็ได้บวชอยู่แล้วจะขยับขยื่นไปทําอะไรก็จะง่ายกว่าคุณแม่มากทีนี้ทั้งทั้งที่เรามีกําแพงแห่งอัคติหนาขนาดนี้แต่คุณแม่ก็ฝ่าฟันมาจนหน้าเวลานี้เราพูดได้เลยว่าคุณแม่เนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะของประเทศไทยเสียงของคุณแม่เป็นเสียงที่คนจำนวนมากนะสําเนียบที่จะฟัง เมื่อเราไปร่วมกันทอดพระป่าความรุนแรงนะขอบริจาคขอบินถ้าบาดความรุนแรงแม้กระทั่งซีแดก็เอาไปรายงานเพราะฉะนั้นมีมีแต่คนทั้งโลกที่ตระหนักอยากจะฟังเสียงของผู้หญิงที่เปี่ยมด้วยสติปัญญาอาตมาครับเองอยากจะให้กําลังใจคุณแม่ว่าก้าวที่คุณแม่แก้าวมาและจะก้าวต่อไปเนี่ยมันเป็นก้าวที่ประเสริฐมากถ้าเราก้าวข้ามอาคติเรื่องเพศภาวะไม่ติดว่านี่นักบวชชายนี่นักบวชหญิงนะแล้วเรามาบินรวมกันนะ เป็นสองปีของนกอินทรีตัวเดียวกันที่ชื่อพุทธศาสนาทีนี้เราจะบินได้สูงเพราะบินได้สูงก็มองได้ไกลในเมื่อต่างฝ่ายต่างก็เป็นนกอินทรีอยู่แล้วเมื่อบินรวมกันล้ทีนี้ไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นที่ได้อ่านนิสส่งเพราะโลกนี้ทั้งโลกได้อ่านนิสส่งเพราะคุณแม่ตรเวนนำภาวนาไปทั่วโลกแม้กระทั่งในเวทียูเอซึ่งปกติเขาไว้ถกการเมืองน้ะคุณแม่พาคนนวดหลังกันเฉยเลยนี่คือสิ่งซึ่งน่ารักมากแล้ว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 ที่ทํางานทางสังคมอยู่แล้วแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ทํางานเพื่อสังคมอยู่แล้วมีสถาบันอัตมภาพที่จัดการศึกษาทางเลือกอยู่แล้วตอนนี้ก็เปิดสอนนะเปิดสอนคอร์สกิเลตแมนจเมนต์เนี่ยสอนมาได้สองคอร์สแล้วนะก็เอาศักยภาพที่เรามีทั้งหมดเนี่นะเอ้าคุณแม่อัตมภาพมีศักยภาพเท่านี้นะต้นทุนทางสังคมนะลูกศิษย์ลูกหานะภูมิธรรมภูมิปัญญาที่อาตมภาพทําอยู่ในมจรอ่นะสถาบันของอาตมานะ อัตมาภาพเอามสายพานมากรองให้คุณแม่เลยคุณแม่อยากใช้ส่วนไหนของอัตมายาวตัวอัตมาไปนะเอาภูมิปัญญาไปเอาลูกศิลุกหลักฐาไปเอาทีมทํางานไปเอาต้นทุนทางสังคมไปแล้วเราเอามากองรวมกันเป็นผ้าป่าความร่วมมือนี่จากนี้เป็นต้นไปก็เรียกว่านกอินทรีที่ชื่อพุทธศาสนาจะบินด้วยสองปีคือบินด้วยนักบวชผู้ชายและนักบวชผู้หญิงแต่ถ้าเราแยกกันทํางานต่างคนตัวต่างแยกกันทํา แต่เวลาคนก็มีความทุกข์เขามไม่ได้แยกกันเข้าหาเฉพาะนักบวชผู้ชายนะใครเป็นสารณะคนก็เข้าหาเหมือนกันทั้งนั้นแหละด้วยเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าในเมืองไทยนี้ถ้าเราก้าวข้ามเรื่องมายาคติเรื่องคนนี้ไม่ชีคนนี้พระสงฆ์คนนี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงไม่ชีกับพระสงฆ์สิ่งนี้เป็นสมมุติเป็นสิ่งสมมุติโดยเนื้อหาสาระคือเนี่ยคน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 คนไทซึ่งเป็นทั้งผู้ชายที่เป็นทั้งผู้หญิงถ้าเราก้าวข้ามสมมุติที่เรียกว่าเพศสภาวะได้ศักยภาพของเราที่ถูกกดถูกดีบถูกอัดอยู่นะพอก้าวข้ามตัวนั้นได้มันเพรีบานได้ในลักษณะที่เรียกกันได้เลยว่าไม่มีขีดจํากัดคาให้ศักยภาพเป็นคําที่สําคัญมากครั้งหนึ่งพระอานนท์ไปไปทูลขอพระพุทธเจ้าให้ผู้หญิงได้บวชครั้งที่หนึ่งก็ไม่ให้บวชครั้งที่สองพระอานนท์ก็อ้างบุญอ้างคุณเลยแค่แต่พระผู้มีพระภาค พระนานางประชาบดีโคตมีนั้นเป็นถึงพระแม่นานในพระองค์นะไม่ให้บวชนี่คนเขาเจอจำหนิเอาได้นะพุทธเจ้าก็ยืนกรานพระอนน์บวชไม่ได้พระอนุ์กลับออกไปเห็นพระนานางทรงพระกันแสงอยู่ที่สุมประตูตัวดำกระมมอมกระมมสงสารเหลือเกินพระอนุนี้เป็นผู้ที่นักบวชหญิงทั่วโลกเคารพมากเพราะท่านทำหน้าที่เป็นพระธรรมบตเป็น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 ไม่ได้อานอนท์ว่าเด็ดตินขาดให้บวชไม่ได้ครั้งที่สามพระอานอนเข้าไปที่นี่ไม่ขอนะพระอานอน์เกิดการเรียนรู้แล้วข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้หญิงเนี่ยมีศักยภาพในการจะบรรลุธรรมได้เหมือนผู้ชายไหมพระพุทธเจ้าค่ะถ้ามือจะไม่ได้อานอน์แห่เห็นไหมเข้าทางเลยนะเนี่ยพอพระพุทธองค์บอกว่าได้พระอานอนก็บอกก็แล้วถ้าเช่นนั้นทําไมไม่ให้พระแม่นางนนบวชน่ะเออนั่นสิอานอน ทีนี้ได้บวชเลยเห็นไหมพอพระพุทธองค์เปิดเวทีทางศาสนาให้กับพระแม่นะของพระองค์ได้บวชนับแต่นั้นผู้หญิงทั่วโลกได้รับอานิสสงสตรีทั่วทั้งโลกที่อยากบวชได้มาบวชในพระพุทธศาสนาศักยภาพในการบรรลุธรรมซึ่งมีอยู่แล้วใน ส, สตรีพอๆกับผู้ชายก็ผลิบานกันเต็มแผ่นดินเห็นไหมว่าคาว่าศักยภาพสาคัญขนาดไหน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 ต้องบอกว่าพระเทรานุเทราผู้ใหญ่ของเราที่สิ้นไปแล้วรูปหนึ่งคือหลวงพ่อพุทธธาตได้เคยพูดคำนี้กับคุณแม่นะท่านเคยตั้งคำถามเลยบอกว่าในท่านก็จะนั่งอ้วนๆท่านจะทำท่าอย่างนี้เสมอเวลาเราเข้าไปถวายตอบการทำงานท่านก็จะพูดว่าอเอาเก้าอี้มาให้คุณสนสนีนั่งคุณทำอะไรที่กรุงเทพคุณเล่าไปซิ ท่านพูดอย่างนี้เลยนะคะแม่เนี่ยเป็นโอกาสที่เป็นผู้หญิงในรุ่นถ้าจะได้ว่ารุ่นสุดท้ายที่ท่านอาจารย์ได้ให้ให้เหมือนกับกําลังใจนะคะแล้วแล้วท่านก็บอกว่าเออตอบสิหนึ่งบวกหนึ่งคำตอบเท่าไหร่แม่ก็รู้แล้วแหละว่าถ้าแม่ตอบอะไรคงตอบไม่ได้ถูกทั้งหมดของท่านอาจารย์หรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้ตอบนะคะแล้วเราก็ตอบอย่างที่เราตอบแหละก็คือหนึ่งบวกหนึ่งก็สองสิเจ้าค่ะท่านก็บอกถูกแต่ไม่ได้ถูกทั้งหมด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 แต่คนส่วนใหญ่จะคิดเป็นก็ต่อเมื่อได้อาศัยกัลยะาณมิตรคือมีคนมาคอยช่วยคิดเราเรียกว่ากัละยะาณมิตรมิตรมีสามมิตรนะหนึ่งปาปะมิตรคนที่เราไปคบแล้วคนที่เราไปนั่งใกล้แล้วเราไม่เคยชั่วเลยเนี่ยเขาจะถ่ายโอนความชั่วให้เราเราไม่เคยแย่เลยพอไปนั่งใกล้ปุ๊บเราจะแย่เลยเราไม่เคยง่วงเลยพอไปนั่งใกล้คนนี้ปุ๊บมันพานเราง่วงเลย เ ร, เราเนื่องหลังตรงอยู่ดีๆนะพอเราเป็นเนื่องใกล้คนนี้มันหอแหม่นะะอย่างเงี้ยนะหมายความว่าคนที่เราครบแล้วชีวิตเราตกต่ําลงอันนั้นคือปาปะเม็ดสองคนที่เราครบแล้วชีวิตของเราดีขึ้นทันตาเห็นเหมือนพระจันทร์ในคืนขึ้นขึ้นสว่างเรืองขึ้นไปสว่างเรือขึ้นไปจนในที่สุดพระจันทร์เต็มดวงสว่างเรืองเต็มนะภากาศคนที่ครบแล้วชีวิตดีขึ้นอันนี้กัลยาณเม็ตรและสาม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 พันธมิตรท่านขาเดี๋ยวพวกนี้ถูกด่าหรอกไม่เป็นปัญหาพันธมิตรก็คือเพื่อนที่ผูกพันกันด้วยผลประโยชน์คนทั่วๆ่วไปจะมีศักยภาพในการคิดเป็นก็ต่เมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรแต่คนระดับมหาบุรุษต่อให้ไม่มีกัลยาณมิตรก็คิดด้วยตัวเองเป็นเราทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นบุคคลในระดับบุคคลทั่วๆวไป แต่แม่แน่นะหลายคนอาจจะเป็นมหาบุรุษก็ได้แต่ยังไม่ไม่ได้สแสดงตัวนะลองไปดูคนที่บ้านอย่างเนี่ยวันนี้ฉันจะไปเสถียรธรรมสถานเออไปเหอะพ่อไปไหมคะไปเหอะชวนไม่เคยมาเลยคนอย่างนี้บางทีอาจจะเป็นมหาบุรุษะ <laughs> เขาคิดเองได้ <laughs> ฝากไปฝากไปเซลเลยนะนี่ชวนไม่เคยมาเลยเนี่ยสแสดงว่าเป็นมหาบุรุษใช่ไหม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 แต่ละยะนานมิธทีนี้พอมีกระะารยาณมิธเช่นมีคุณแม่มีพระอาจารย์มีครูบาอาจารย์มีตำรับตำรามีพระตรยปีดกหมดแล้วอ่านแล้วฟังแล้วศึกษาแล้วไอ้ชีวิตไม่เห็นดีขึ้นเลยกระยะารยาณมิตรมีแล้วนะแต่ทำไมชีวิตคุณไม่เปลี่ยนคุณมาลงทะเบียนเรียนที่นี่รุ่นแรกของสวิกาสศิขาไหลกะว่าจบไปเป็นพระสัสดาบัณ <c oughs> อจบไปแล้วก็ยังไม่ก้าไปข้างหน้า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 ปั่นเสล่งผ่านมาแล้วก็มาซื้อโอเล้งในจุดเดียวกันแกเห็นว่าเอ๊ทําไมหน้าตาคุณลุงคนนี้เนะ่ะมันสดชื่นนะแต่ดูสภาพการแต่งกายของแกดิมันมอมแม ม, ม, ม, ม, มมกระดังกระด่างเหลือเกินแต่ทำไมดูสีหน้าท่าทางแกมีความสุขไม่เหมือนกับเราที่ใส่สูทผูกนี้ท้ายแต่ทําไมเราไม่มีความสุขเขาช่างสังเกตนะสังเกตให้ดีนะคนคิดเป็นมาแล้วนะเขาช่างสังเกตนะเอ๊ะทำไมสีหน้าหน้าทางมันมันตรงกันข้ามกับการแต่งตัว ก็เดินเข้าไปถามลุงลงทํามาหากินอะไรลุงก็ขายขยะโอ้อย่าถามเลยใครๆเขาดงเกียดลุงนี่เสื้อลุงเหม็นนะดมดูสิเหม็นจริงนะขายขยะถูกดูถูกดูใครมากแล้วแกก็ถามลุงลุงได้วันเท่าไหร่ก็มันแล้วแต่วันนะคุณอย่างวันนี้อลุงได้เท่าไหร่วันนี้ลุงก็ได้ประมาณสามพันและเมื่อวานลุงได้เท่าไหร่เมื่อวานงานไม่ค่าพอได้สองพัน ได้ยังต่ำสุดลุงได้เท่าไหร่ต่ำสุดก็ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยลุงทำมากี่ปีก็ประมาณสิบปีลุงรวยไหมก็ลูกชายของลุงคนโตตอนนี้เรียนอยู่ที่อเมริกาคนเล็กเพิ่งจบปริญญาตรีขายขยะเนี่ยลุงก็ขายขยะเนี่ยแล้วลุงช่วยกันกี่คนก็คนเดียวคันเดียวเนี่ยขอบคุณครับลุงกลับบ้าน ขอยืมเงินพ่อสองหมื่นไปดาวรถกระบะเก่าๆมาหนึ่งคันเงินสดอีกก้อนหนึ่งวันรุ่งขึ้นเอารถกระบะไปจอดที่ภูเขาขยะภายในสองเดือนผู้ชายคนนี้ซื้อรถใหม่ป้ายแดงไปให้พ่อหนึ่งคันแกเล่าว่าวันแรกที่ไปบอกพ่อนะว่าลูกพ่อลูกยืมเงินไปดาวรถลูกจะขายขยะพ่อกับแม่ประกาศว่าถ้าแกจะขายขยะเพื่อหากินนะ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 มีคนมาขอดูของคุณรวยขนาดนี้เลยเนยแกบอกว่าคนเราเนี่ยพอพอไม่มีเงินเอาของจริงมาใส่คนหาว่าใส่ของปลอมนะพอมีเงินมีทองเอาของปลอมมาใส่คนบอกว่ามันของดีแล้วมีนักข่าวไปสัมภาษณ์แกว่าคำว่ามหาวิทยาลัยในทัศนะของคุณคืออะไรแกถามว่าอะไรนะคำว่ามหาวิทยาลัยในทัศนะของด็เตอร์คืออะไรครับดร์ก็ตอบคาว่ามหาวิทยาลัยในทัศนะของผม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 ถ้ายอยพาเรทเข้าไปกระดับเกียรติยศให้แกผู้ชายคนนี้เป็นคนที่อาศัยกลยุทเม็ดคือใครคือผู้ชายคนที่ขับซาเล้งข า, ขายของเก่าคนนั้นและแกมีอะไรแกมีศักยภาพของความคิดคือมียนิโสโวมนานัสสิการภายในคนปั่นซาเล้งคนนั้นก็คงปั่นไปแล้วทั่วเมืองพิษณุโลกซื้อของเก่าแต่ไม่มีใครรวยเพราะแกนะมีแต่ดตรสมภัยคนนี้รวยเพราะแกเพราะอะไร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 ไม่ยอมรับเรื่องอะไรฉันจะยอมรับว่าฉันแก่หน้าฉันต้องใส่เด้งเหมือนลูกชิ้น <c oughs> แขนย้ยเป็นรังเพื่งไม่เป็นไรแต่หน้าต้องดูดีนี่นี่กัลายาณมิตรมาแล้วนะแต่เราไม่สังเกตเราไม่สังเกตเราก็ไม่ได้ยิ่งไม่สังกายิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเจ้าชายศรีสาก็ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะมาแล้วสังเกตวาเอ๊ะทาไมต้องแก่ไมต้องเจ็บทไมต้องตายและทาไมต้องออกบวช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 เพรความคิดเชิงวิเคราะห์นี่พระพุทธเจ้าแต่สรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่ใช่เรื่องจิ๊บจิ๊นะความคิดนี่ไม่ใช่เรื่องจิ๊บจนะนินะ อ, นะอันนี้คือความคิดเชิงวิเคราะห์เกิดขึ้นก็โดยวิธีการอย่างนี้ต่อไปไปดูพลังของความคิดพลังของความคิดเป็นไงครั้งหนึ่งเ Isaac Newton, ื้อไอแซคนิวตันเซงมากกับบรรยากาศการเรียนการสอนที่แสนจะรนุรักษนิยมออกเปนอนอยู่ได้ต้นแอปเปลิลแอปเปลิลหล่นใส่หัว ลุกขึ้นมานั่งตั้งคำถามเอ๊ะทำไมมันหล่นแล้วมันไม่ลอยขึ้นไปข้างบนคิดนึงคิดถามพวกเราแอปเปลิลหล่นใส่หัวโอโหวิเชาบุญหวานจริงๆวันนี้นี่เนี่ยคนไทยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหากคิดจรงวิเคราะห์สิครั้งหนึ่งอัตรมาภาพเคยอ่านชริงว่าประวัตวิตของนัสรูดินปราวัตของตะวันออกกลางนัสบูดินเป็นคนที่ช่างคิดช่างวิเคราะห์มาก คนหนึ่งก็ไป น, นอนอยู่ใต้ต้นมะม่วงต้นใหญ่เบ้อเรอเลยนะห้าคนอบแล้วใต้ต้นมะม่วงก็จะมีเผาแตงโมเลื้อยอยู่ทั่วๆัวไปแตงโมงลูกใหญ่เท่าหัวคนเนี่ยนะโอ้โหผลดอกออกผลงามข้างบนใมะม่วงก็กำลังสุกเรื่องนัสโรดินก็คิดชงวิเคราะห์เอ๊ะทำไมธรรมชาติไม่ค่อยทำอะไรให้ส ม, มดุลเลยนะดูดิต้นมะม่วงต้นใหญ่เบ้อเรอแต่ผลนีดเดียวดูแตงโมเช่เนี่ย เ่าวันนี้เดี๋ยวแต่ลูกใหญ่เบอ้อเรอธรรมชาตินี่ไม่มีสมดุลกำลังจะหลับมาม่วงโลนใส่หัวพุโอ้โหตายแล้วเฮ้ยเออธรรมชาติมันสมดุลเว้ยถ้าเกิดธรรมชาติไม่สมดุล น, นะเอาลูกแตงโมขึ้นไปไว้ข้างบนหัวฉันจะเหลืออะไรนะเนี่ยอนนี้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 ก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมในการแสดงปาหีครองใหญ่หลอกโคนทั้งโลกเมื่อหนือมีคนไปถามนักวิทยาศาสตร์หนึ่งในสามคนที่ขึ้นไปเหยัยบดวงจันทร์ว่าใครเหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรกดูเหมือนลินอัมซองจะพูดวักทองซึ่งทำให้คนทั้งหมดทึ่งนะเพราะเขากําลังถูกไล่เบีย้ยเขากำลังตกเป็นรองก็พูดว่าผมสามคนไม่มีใครเหยียบก่อนสักคนล่ะครับเอ้าถ้างั้นใครเหยียบดวงจันทร์ก่อนจินตนาการเหยียบก่อน รอยเท้าแห่งจินตนาการมันเหยียบเรียบร้อยแล้วเมื่อห0สิบปีที่แล้วใช่ไหมเอเบิร <I> ์ตออสซยจึงบอกว่า imagination is more important than knowledge จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ฮะเห็นไหมความคิดขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วก่อนที่เท้าของมนุษย์จริงๆ จ, จะขึ้นไปเหยียบจากนั้นเป็นต้นไปอวกาศจริงไม่ใช่สิ่งลี้ลับสำหรับมนุษยชาติพลังของความคิดมีถึงขนาดนี้ครั้งหนึ่งเจมส์วัตต์ต้มน้าร้อนนั่งดู ไอน้ํามันดันฝากราเนี่ยทําท่าจะเปิดตลอดเวลาเพราะไอน้ำมันดันโลอยกาพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเจมสสวัสด์คิดแบบเฮ้ยทํา ي, ทไมฝากร ม, มันทำท่าจะเปิดมันทําได้ไงก็มาคิดต่อก็ค้นพบพลังงานไอน้าําสร้างเรือสร้างเรือเดินสมดุลโดยใช้พลังงานไอน้าําก็ก่อเกิดการปฏิวัติตอุตสาหกรรมเกิดขึ้นโรงงานต่างๆใช้พลังงานจากพลังงานไอน้าําทั่วโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเริ่มมี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 เป็นกรณีศึกษาเรื่องการก้าวข้ามความรุนแรงหรืออาระยะขัดขืนที่เรามักจะหยิบมาพูดพูดกันประเทศรวันดาประเทศรวันดานี้มีชนสองเผา่าก็คือเผา่าทุตซี่กับเผ่าฮูตูทุตซี่นี่คือคนส่วนใหญ่ของประเทศฮูตูนี่เป็นคนส่วนน้อยของประเทศต่อมาชนเผา่าทุตซี่นี่ก็จงเกียจจงชังชนกลุ่มน้อย เหมือนสมัยก่อนที่คนจีนเนี่ยเขาจงเกลียดจงชังอนารายะชนพวกทรงหนูที่อยู่นอกกําแพงบางจีนแต่ต่อมาเผ่าทรงหนูนี่ยก็ขึ้นมาสถาปนาราชวงศ์ชิงครองบางจีนมันซะเลยรู้เร็วรู้ลอดไปทีนี้เผ่าตุซี่เผาฮูตูเนี่ยพอจริงชังรังเกยียจกันต่อมาเผ่าตุซี่ยึดสถานีวิทยุได้ตั้งใจฟังให้ดีนะเขายึดสถานีวิทยุนะอ่าเออไม่ใช่เอ <laughs> ็นบีแม่นื้ว่าหวังดี <laughs>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 ส่งทหารเข้าไปช่วยรับมือไม่อยู่เพราะอะไรเพราะการฆ่ากันนั้นกระจายไปทั่วประเทศกว่าชาวรัวันดาจะฟื้นตื่นขึ้นมาว่าเราถูกสถานีวิทยุแห่งนั้นโฆษณาชวนเชื่อให้ฆ่ากันเองก็ต่อเมื่อมีคนเสียชีวิตในลักษณะฆารางโคตรไปแล้วหนึ่งล้านคนเสร็จเห็นพลงังของความคิดที่ผิดไหมคนคนด้วยกันเนี่ยฆ่ากันเองนะ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 วนหนึ่งก็มีนักวิชาการใหญ่ลงจากหอคอยงาช้างมาไปหาท่านเว้หลังเหมือนพวกคอมมิวนิสต์ชอบไปทดลองกับท่านพุทธทาสอ่ะพากันไปหาท่านนักวิชาการคนนี้ไปนั่งอยู่ต่อหน้าท่านเว้หลังแล้วแกก็ภูมิใจว่าฉันอยากจะดูซิว่านําหน้าคนที่เป็นสังฆปรินายกแต่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะ่ะจะมีภูมิปัญญาแค่ไหนพอเป็นนั่งอยู่ตรงนั้นสังฆปรินายกเว้หลังก็ถามว่าเอายมทําไมไม่กราบคนอื่นก็กราบหมดนะ ทั้งห้องเขากราบมหมดทุกแกไม่กราบแกก็บอกว่าเตะเท้าคนอย่างผมซึ่งท่องสัทธามปุ ร, ริรุตสูตรได้สามพันจบไม่อยู่ในฐานะที่จะกราบใครขอรับท่านเวรหลังบอกโอน่าเสียดายนะสัทธามปุ ร, ริรุตสูตรนี่วิเศษมากเลยนะั่นะนะ่ะในนั้นเรื่องสอนเรื่องแรกเลยคือเรื่องความอ่อนน้อมท่านท่องได้สามพันจบใช่ไหมทำไมมันแข็งเป็นหินอย่างเงี้ยโอ้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 ไอ้ที่ตายในี่ยตายจริงๆเลยนะที่ยิงเนี่ยลูกปืนจริงเนละแต่สิ่งที่ทะเลาะ ก, กันเนี่ยเพื่อสถาปนาให้มันเกิดขึ้นสิ่งสมมติเพราะมันคือชุดความคิดชนิดหนึ่งมันน่าเศร้าไหมที่เราเอาชีวิตซึ่งเป็นความจริงไปแลกกับสิ่งสมมุติเพราะฉะนั้นอุปสรรคของความคิดก็คือการถูกวางเงื่อนไขด้วยกิเลสด้วยผลประโยชน์ด้วยกรอบคิดด้วยทฤษฎีทั้งหลายทั้งปวงทําให้เราไม่สามารถที่จะใช้ศักยภาพในการคิดอย่างเป็นกลาง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 ไม่ได้ใช้คำว่าสุตตะอะไรนะใช้คำว่าบัณดิตใช้คำว่าเมธีเพราะฉะนั้นคนจำนวนมากคิดว่าการครอบครององความรู้มากๆก็คือการมีปัญญาดังนั้นถ้าเรามีองความรู้มากๆแล้วถ้าเราคิดไม่เป็นความรู้ที่มันอยู่ในตัวเราเนี่มันจะเน่าเาะมันเน่ามันส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเลยนะใครอยู่ใกล้เรานี่ถูกคมหมดเลยเห็นด้วยอย่างนะเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะมีความคิด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 มันจึงไม่ได้เป็นความคิดที่ผ่านสมองคือถ้าเรากำลังถามในแง่ว่าเอ๊ะมันคิดยังไงอ่ะที่เรียกว่ามันคิดถูกคิดคิดอย่างคนมีปัญญาเนี่ยแต่ถ้าเรามองว่าสัมมาทิฏฐิคือการเห็นแล้วไม่เป็นแบบครุกคลีลงไปอยู่กับความรู้สึกแหะไม่เผลอไม่เพลินอยู่กับความรู้สึกอย่างนี้นะคะคือไม่ไม่ทันอวิชชาหรอกพวกเราก็ยังต้องศึกษา ก, กันอีกเยอะแต่ว่ามันทันตัญหา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 เจเอกบายบายแม้ก็จะใช้คำนี้ใช่ไหมโฆษณาที่แบบมันง่ายๆมันมันเห็นทันแต่เรามักจะเผลอเร า, ามักจะเพลินหรือบางทีขอโทษ น, นะฮะเราปฏิบัติแบบอยู่ในรูปแบบที่มันแพ่งแล้วก็ตึงเครียดสุดโตงอะไรเงี้ยมันก็นะอะ่ะเราก็เออเออเอ่ะค่อยๆถอนคลายมันคืออย่าไปอย่าไปอึดอัดแต่ให้มองมันอย่าง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 หรือว่าถ้ามันไม่เพลินก็พ้นภาษาการปฏิบัตคิคือถ้ามไม่เพลินอยู่กับความรู้สึกมันก็พ้นอันนี้ก็ผู้ปฏิบัติที่มาอยู่กับเราสองสามวันก็จะฝึกอย่างนี้ยแหละใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเบื่อยังถ้าเบื่อก็ต้องเห็นทันก e ็อยากจะมีคําถามถึงท่านแม่ทีแล้วก็พระคุณเจ้าว่าเราจะโน้มน้าวแล้วก็ทักจูง เยา ว, วชนยังไงให้มาเข้าใกล้พระพุทธศาสนาเพื่อว่าจะฟื้นฟูแลวก็เผยแผ่ธรรมะต่อไปในอนาคตขอบคุณค่ะท่านจะตอบก่อนหรือให้โยมสั้นๆก่อนฮะให้คุณแม่ก่อนนะคะค่ะคุณแม่ยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะให้เห็นเป็นภาพเลยว่าอย่างอาทิตย์เนี้ยเราบอกแล้วว่าเรามีคนที่อายุที่สูงที่สุดคือไม่เกินยี่สิบเก้าเป็นกลุ่มที่มากที่สุด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 เพราะมีหลายคนเอาไปพูดผิดว่าพระองค์นั้นเป็นเด็ดใบประดู่ลายมาพระเด็ดใบประดู่ลายนี่ผิดวินัยเลยนะ <c oughs> พระองค์นั้ตนตระเียนมากก้มลงเก็บใบประดู่ลายขึ้นมาแล้วกับภิกษุทั้งหลายใบประดู่ลายในป่านี้กับใบประดู่ลายในมือเราอันไหนมากหรือน้อยพระสงฆ์ก็กราบบังคมทูลตอว่าใบประดู่ลายที่อยู่ในพระหัตของพระองค์สิน้อยมากในป่านั้นมากเลือกเกินพระองค์ก็ตรัสว่า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 หลวงปู่ไม่มีเทธจิตแต่มันอยากเทธอค น, ม, น, ม, นมันบรรลุทาไงหลวงปู่ม่านบอกคิดเอาเองก็ลงไปข้างล่างไปเจอขวานอยู่อันหนึ่งฮะเขาใช้ผาเฟินหลวงพ่อทอรถไปหยิบขวานมาเดินไปที่กุฏิเจอตอไม้ขนาดนี้ทั้งคืนไม่หลับนะผาเฟินทั้งคืนจนขวานเหลือแต่ซากที่ขอนนี่ยเหลือแต่ซากสามวันหลวงปู่ม่นเดินมาดูเฮ้ยอือใช้ได้อจากนี้เป็นต้นไปคุณเทศได้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 นะก็คือธรรมะบันเทิงได้แล้วก็ร่วมสมัยได้ค่ ะ, ค, ะคุณแม่อาจจะไม่มีบทสรุปเลยในวันนี้เราก็ได้การบ้านกลับไปทุกคนเราเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทสี่ต้องทำงานเป็นทีมมีปัญญาในการจัดการพระผู้มีพระภาคเจ้ามีวิชันเมื่อสองพันห้าร้อยเก้าสิบกว่าปีนะคะก่อนที่จะออกผนวดเนี่ยตั้ง จินตนาการว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ไหมทำยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าสงสัยมีจินตนาการแล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะมันมีกลางคืนแล้วมันมีกลางวันมันมีมืดมันมีสว่างถ้ามันมีทุกข์มันต้องมีพ้นทุกข์สิฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าจากจินตนาการของบุรุษหนึ่งเมื่อสองพันห้าร้อยเก้าสิบหกปีที่แล้วเนี่ยสิ่งนี้มาถึงเรา นั่นแหละเป็นจินตนาการที่มนุษย์ไม่ควรจะดูถูกตัวเองเราต้องไม่ดูถูกศักยภาพของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยการค้นคว้าเฝ้าสังเกตยอย่างมีสติอย่างรู้ตัวท่วพร้อมในปัจจุบันขณะ